ก้ <Book> <92. S 3> าวสิ2สองน่าเด็กดอนุประโยครองลงมาที่สองซูฟราซอยคุณแคดุดิฉันโมโหที่คุณนอนกลนคอลเรติสมินเครอนคัส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 ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเราเราหวังว่าเขามีเงินมาก เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ um. ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล มีออดิสเข้าชี้เอสตัสเอนโฮสดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคันมีออดิสเขีย i a อ t o estas tute d e เตเดทรดิฉันดีใจที่คุณมามีจอยอสีดิฉันดีใจที่คุณสนใจมีจ ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้านมีจอยัสแคบิเว拉斯อเชติลาดอมอนดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้วมิทีมัสเคลาลาสทับบุสโซยัมฟอร์เวทูริสดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่มิทิมัสแคนิดลาสเพนิท็กซีอ ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้วมิทิมัสเคมินเนปุฮาบาสมอนนนคุณมิ